ความรู้สึกกระวนกระวายยิ่งมากขึ้นคืนหนึ่งประมาณต้นมัชิมายามอาโศกุมารเข้าบันทมตามปกติแต่มีอาจบันทมให้หลับสนิทเช่นเคยได้กระสับกระสายพลิกกลับไปกลับมาอยู่เป็นเวลานานเมื่อเห็นว่ามิอาจบันทมหลับแน่นอนแล้วคืนนอนต่อไปก็รังแต่จะนำความรำคาญมาให้จึงลุกมาจากแท่นบันทม